วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้วิชาที่พระพุทธเจ้า ได้ท่งนำเอามาสั่งสอนคือวิชาของวิมุตติของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการศึกษาเพื่อที่จะได้นําเอาไปสู่การปฏิบัติเพราะการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติ แต่การจะปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไว้ก่อนเพื่อจะรู้ว่าการจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้หลุดพ้นได้อย่างไรพอรู้แล้วก็ต้องนำมาไปปฏิบัติเห็นจะปฏิบัติได้ผลมากน้อย ได้ช้าได้เร็วนี้อยู่ที่ความเพียรพยายา ม, มเรียกว่าอยู่ที่วิริยะบารมีมดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าสุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร<ม>จะอยากสุดพ้นแต่ไม่ทำความเพียร<ม>ก็จะไม่สามารถที่จะสุดพ้นได้ พวเราทุกคนมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่ความปรารถนาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทําให้เกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ปรากฏขึ้นมาได้ mm. การหลุดพ้นจากความทุกข์จะปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องหนึ่งต้องมีการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ความทุกข์นั้นหมดสิ้นไปแล้วพอเรียนรู้แล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติจะปฏิบัติได้มากได้น้อยได้ช้าได้เร็วก็อยู่ที่ความเพียรว่ามีมากมีน้อยนี่เอ <Yeah. S 1> งังนั้นผู <c oughs> ้ท่านทั้งหลายที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ปรารถนาวิมุตติธรรม <Yeah. S 1> ธรรมะเลิศอันประเสริฐ ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ทรงสัมผัสมาเป็นคนแรกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในพระทยของพระองค์อีกต่อไปไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงสัมผัสกับวิมุตติธรรมแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงเมตตากรุณานำเอาความรู้นี้มาสั่งสอนให้แก่สัตวโลกพระพุทธเจ้านี้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่เป็นประจำอยู่ทุกวัน ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนไปจนถึงวันที่เสด็จดับขันธปริมิพานเป็นเวลาประมาณ45ปีตลอดระยะ45ปีนี้ทรงแสดงธรรมตรอสัตว์ทุกวันมีเกตที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ห้าจด้วยกัน แล้วในห้ากิจนี้ก็มีอยู่สี่กิจที่ทรงบำเพ็ญในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะเช่น mm hmm. ในตอนบ่ายก็จะแสดงธรรมโปรดศรัทธาญาติโย mm hmm. ในตอนค่ำก็จะแสดงธรรมโปรดภิกษุภิกษุณี mm hmm. นักบวชทั้งหลาย ในยามดึกก็ทรงแสดงธรรมปวดพวกเทวดาแล้วก็ในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกทรงบินทบาทก็ทรงเลงยานดูว่าจะไปโปรดผู้ใดเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นจะไปสอนใครในเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นทรงเลงยานดูว่าใครเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้า ได้อย่างรวดเร็วในวันนั้นก็กจะส่งบุ่งไปสอนบุคคล น, นั้นต่อไปแล้วกิจที่ห้าก็ทรงโปรดสัตว์ด้วยการบินทบาตเรียกว่าพุทธกิจห้า ช, ชาวพุทธเหล่านี้ควรจะรู้จักพุทธกิจห้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอะไรบ้างในแต่ละวันก็ทำกิจห้าประการนี้ ตอนเช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ตอนบ่ายแสดงธรรมโปรดศรัทธาญาตโยมตอนข้ามแสดงธรรมโปรดภิกษุภิกษุณีตอนเด็กแสดงธรรมโปรดเทวดาและตอนเช้าก่อนที่จะออกบิณฑบาตส่งหนึ่งยานดูว่าจะไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือ กิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องทรงให้ความสำคัญต่อการเผยแผ่ธรรมเพราะว่าธรรมนี้ไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเองไม่มีใครเกิดมาแล้วจะรู้ธรรมที่จะพาให้ไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้แม้แต่พ่อแม่ที่ให้กําเนิดพวกเรามาก็ไม่รู้จักวิมุตติธรรมไม่รู้วิธีที่จะบำเพ็ญ ห, หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นซี่ทรงมีความสามารถที่จะค้นพบวิมุติธรรมได้ด้วยพระ อ, องค์เอง <Yeah. S 1> เมื่อทรงรู้เป็นเป็นผู้รู้เพียงพระ อ, องค์เดียวก็เลยกลายเป็นภาระที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญคือต้องเป็นผู้สั่งสอนวิมุติธรรมนี้ให้แก่สัตว์โลก แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้บรรลุถึงไม่มุติธรรมคือพาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายที่จะมาช่วยเผยแผ่ธรรมให้แก่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปแต่ในเบื้องต้นนี้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรม แล้วก็ทรงแสดงทาหน้าที่ของพระองค์อย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันแม้ในขณะวาระสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จดับขันธปพรินิพพานก็มีปริพาชคมีบุคคลหนึ่งอยากจะศึกษาธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนต้นพระอ น, นุ์ก็ทรงปฏิเสธบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านจะตายแล้วจะให้นั่นสอนธรร ม, มได้อย่างไร แต่พอพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงอนุนพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปล่อยเขาเข้ามาเถอะอเขาอยากจะรู้ทำก็ปล่อยเขาเข้ามาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ชายคนนั้นเข้ามากราบทูลถามทำอยากจะรู้อะไรชายคนนั้นก็ถามว่าในบรรดาคำสอนต่างๆของลัทธิต่างๆ ข, ของศาสนาต่างๆนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เป็นคำสอนที่นำไปสู่วิมุตติธรรมเป็นคำสอนที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าไม่ได้ตัดว่าเป็นคำสอนของเราที่จะพาให้หลุดพ้นแต่ทรงพูดเป็นกลางๆว่าคำสอนของาศาสนาใดของลัทธิใดก็ตามถ้ามีมรรคเป็นองแปดอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคำสอน ที่จะนำสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ mm hmm. คือธรรมสอนที่ต้องมีมรรคที่มีองค์8ปด mm hmm. คือมัชฌิมาปฏิปทา mm hmm. มรรคนี่มรรคที่มีองค์8ดก็คือมรรคเช่นข้อหนึ่งก็สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้อง mm hmm. สอง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 ก็ถือว่าศาสนานั้นคําสอนนั้นเป็นคําสอนที่ถูกต้องที่จะพาให้สัตว์โลกนี้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้และเท่าที่ศึกษามาจากคําสอนต่างๆของนัทธิต่างๆ ข, ของศาสนาต่างๆนี้ก็มีคําสอนของพระพุทธศาสนาเพียงคําสอนเดียวทั้งที่มีครบทั้ง8ดองค์ด้วยกัน มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรก็คือสัตว์โลกนี้เป็นใจเป็นดวงวิญญาณไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้จิตวิญญาณจิตวิญญาณนี้แหละเป็นผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่และไปเกิดภพ น้อยพบใหญ่ด้วยอำนาจของกรรมคือการกระทำคือบุญและบาปและถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องกาจัดเหตุที่พาให้เวียนว่ายตายเกิดกันเหตุที่พาให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือตัณหาความอยากนั่นเองได้แก่กามะตัณหาความอยากเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรส ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นความอยากได้รูปประชานนะวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากได้อารูปประชานความอยากเหล่านี้จะเป็นเหตุที่พาให้จิตวิญญาณของสัตว์โลกนี้ไปเกิดในตร้งภพถ้าเป็นกามะตัณหาก็จะพาให้ไปเกิดในกามภพ คือภพของมนุษย์ของเทวดาของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกเป็นการมาพบผู้ที่ได้รูปประชานเสพรูปประชานได้ก็จะไปเกิดในรูปภพและผู้ที่ได้อารูปประชานก็จะไปเกิดในอรูปภพแต่ก็ยังจะต้องติดอยู่ในไตภพนี้ จะไม่สามารถหลุดออกจากตายพบไปได้เพราะพบต่างๆนั้นเป็นของชั่วคราวไปถึงแล้วก็อยู่ได้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องเสื่อมกตกลบมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทุกขกับการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์อย่างที่พวกเรากำลังพบกันในชีวิตนี้ไม่มีใครที่จะไม่ได้พบกับความทุกข์ เวลาเกิดนี้ก็ทุกข์แล้วออกมาจากท้องแม่มีใครร้องไห้มีใครหัวเราะบ้างไม่มีมีแต่ร้องไห้ร้องเพราะหายใจไม่ออกต้องหายใจเองเวลาอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องหายใจแต่พอออกมาปั๊บก็ต้องหายใจแล้วทุกข์แล้วทุกข์เพราะว่าต้องหายใจอยู่เฉยๆไม่ได้ที่เกียดหายใจไม่ได้ แ่าที่เกียดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่พุทธเจ้าทรงนำมาสอนให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายชั่วคราวพอร่างกายตายไปจิตวิญญาณของเราก็จะไปอยู่ อีกสภาพหนึ่ง <Yeah. S 1> อยู่แบบเป็นจิตวิญญาที่มีสุขหรือมีทุกข์ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันมา <Yeah. S 1> ถ้าเป็นบุญเราก็จะเป็นดวงวิญญาที่มีสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์เรียกว่าเทวดา <Yeah. S 1> ถ้าเราก็ทำบาปไว้มันก็จะเป็นดวงวิญญาที่มีแต่ความทุกข์เราก็เรียกว่าดวงวิญญาของเปรตของนรก yeah. นี่คือความเห็นที่ถูกต้องอมเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แล้วถ้าเราต้องการจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดก็มีให้คิดสามประการด้วยกันใ ห, ให้ละบาปคิดละบาปคิดสร้างบุญสร้างกุศล คิดชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเป็นสัมมาสังกปความคิดที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าเราเป็นดวงวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆด้วยอํานาจของความอยาก mm. ถ้าเราต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความอยากก็ต้องยุติความอยากอายุติความอยากได้ก็ต้อง ละบาปสร้างกุศลและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะรพอเราได้สัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จะได้สัมมาสังกปรูความคิดที่ถูกต้องจากการที่เราศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะให้สัมมาทิฏฐิกับเราแล้วก็จะให้สัมมาสังกปรูความคิดที่ถูกต้องกับเรา ทุกวันนี้ขอให้เราคิดละ บ, บาปกันอย่าทำบาปกันคิดสร้างบุญสร้างกุศลกันคิดชำระกิเลสกันขอให้ตัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่เรื่อยด้วยการปฏิบัติข้อต่อไปคือข้อที่สามเรียกว่าสัมมากัมมันโตการปฏิบัติคือการกระทําที่ถูกต้องก็คือการละ บ, บาปนี้ทางกายเรียกว่าสัมมากัมมันโต มีอยู่สามข้อด้วยกันคือหนึ่งละเว้นจากการฆ่าสัตว์สองละเว้นจากการลักทรัพย์สละเว้นจากการประพฤติผิดปรเวณีนี่คือสัมมากมมันโตการกระทาที่ถูกต้องแล้วก็มาข้อที่สคือสัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องคือวาจาที่ตรงกับความจริงอย่าพูดปดนั่นเอง แล้วถ้าอยากจะให้มีสัมมาวาจาที่ละเอียดกว่านี้ก็ต้องไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดคือพูดเบ็ดพูดส่อเสียดคือพูดยุยงให้เกิดการทะเลวิวาทกันแล้วก็ไม่พูดคําหยาดนี่เรียกว่าสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ ต้องไม่พูดปดสอไม่พูดเพ้อเจ้าคือไม่พูดเรื่องไร้สาระเช่นพวกนินทากาเลด่ากันไปด่ากันมาในโซเชียลเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงเรื่องเท็จยังไงพอได้ยินได้ฟังขึ้นมาก็ด่ากันไปด่ากันมาเนีเรียกว่าเรื่องพ้อเจ้อย่าไปเสียเวลาเอาเวลามาพูดเรื่องที่มีคุณมีประโยชน่ดีกว่าพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมดีกว่า พูดเรื่องการละกิเลสดีกว่าพูดเรื่องการรักษาศีลดีกว่าถ้าจะพูดถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่นั้นก็อย่าพูดดีกว่าแล้วก็อย่าพูดคำหยาบเพราะคำหยาบนี้เป็นเหมือนขยะนี่เองไม่มีใครยินดีกับการพูดคำหยาบเวลาได้เสียงคนพูดคำหยาบเราจะรู้สึกขย ะ, ข ย, ะขยงเหมือนได้เจอเศษขยะ นี่คือการพูดที่จะทําให้เราไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครนั่นเองการละบาปนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้เราไปมีปัญหากับใครไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของพวกเราถ้าทําบาปคือถ้าไม่ทําสัมมากัมมันโตไม่มีสัมมาวาจาคือไม่มีศีล น, นั่นเองไม่มีศีลห้าพอไม่มีศีลห้าแล้วก็ พอไปทำบาปเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลกันไปติดคุกติดตารางกันแม้ว่าจะรวยหรือจะจนพอทำผิดกฎหมายแล้วต้องขึ้นไปขึ้นศาลกันทั้งนั้นนั้นอย่าไปทำบาปด้วยการเจริญสัมมากัมมันโตกับสัมมาวาจาเป็นมรรคข้อที่สามและข้อที่สี่ แล้วข้อที่ห้าก็คือสัมมาอาชีว์คือการมีสัมมาอาชีพน่อาชีพที่สุดจริตอาชีพที่ไม่ทุจริตอาชีพที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนแต่ถ้าสิ่งที่เราค้าขายนี้ไปสนับสนุนให้ผู้อื่นไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็ไม่ควรทา เช่นอาชีพขายสุราอย่างนี้ก็ไม่ควรขายเพราะขายสุราแล้วก็จะส่งเสริมให้คนดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมาพอเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะไปทําอะไรที่เสียหายต่อไปเช่นถ้าขับรถขับแล้วเมาเนยก็จะเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งชีวิตของของตนเองะของผู้อื่น ไม่ควรทำอาชีพที่สนับสนุนการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเช่นอาชีพค้าสุรายาเมาอาชีพที่ค้าเครื่องทาลายชีวิตของผู้อืน่นเช่นกับดักสัตว์หรืออาวุธต่างๆหรือยาพิษต่างๆอันนี้เป็นการสนับสนุนการฆ่ากันนั่นเอง สนับสนุนการเบียดเบียนกันแล้วมันจะกลับมาหาเราเพราะว่าดีไม่ดีเราก็จะถูกคนที่เขาซื้อของเหล่านี้ไปเอามาทําร้ายเราเช่นพวกโจรพวกร้ายก็อาจจะไปซื้อปืนซื้ออาวุธแล้วก็มาป้นมาจี้มาฆ่าเราต่อไปได้งั้นอย่าทําอาชีพเหล่านี้เพราะเป็นการส่งเสริมการกระทาบาสนั่นเอง ต้องทำอาชีพที่ไม่ไปทำให้เดือดร้อนแก่ผู้อื่นเช่นทำอาชีพขายเสื้อผ้าขายของขายอาหารอะไรทนองนี้เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือกันช่วยช่วยดับความทุกข์ทางร่างกายของกันและกันนี่คือมรรคข้อที่หคือต้องมีสามาอาชีพ ถ้าเป็นนักปฏิบัตินี้ก็อาชีพของนักปฏิบัติคือพระก็คือการบินธบัดเลี้ยงชีพเป็นอาชีพสัมมาอาชีพของพระพระไม่ควรที่จะรอให้ญาติโยมนํกากับข้าวกับปลาหามาถวายที่วัดที่กุฏินะพระควรจะออกไปบินธบัดเพราะการบินธบัดนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะสะดวกกับผู้ที่ให้ด้วย ญาติโยมบางท่านนี่อาจจะไม่สะดวกที่จะมาวัดทุกวันแต่ถ้าไปบิณฑบาต ท, ที่บ้านในหมู่บ้านญาติโยมที่อยากจะทําบุญใส่บาตรก็จะได้ทําบุญได้ทุกวัน <Yeah. S 1> เรียกว่าเป็นการไปโปรดสัใส่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้ผู้ใส่บาตรและผู้ไปร่ำบาตผู้ไปบิณฑบาตคือพระก็จะได้อาหารมาแล้วก็ได้อาหารแบบตามมีตามเกิด คืผู้ที่ให้ก็ไม่ได้ไปกำหนดว่าจะต้องให้อาหารอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ผู้ให้มีอะไรอยากจะให้อะไรก็ให้ไป mm hmm. ก็จะฝึกนิสัยสันโดษ ย, mm hmm. ยินดีตามมีตามเกิดของผู้ปฏิบัติธรรม mm hmm. ซึ่งเป็นนิสัยที่ดีเพราะจะช่วยกาจัดกิเลส mm hmm. คือความโลภอยากได้อาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้มารับประทาน mm hmm. อันนี้ก็ เป็นสามาชีพของพระของนักบวชพระพุทธเจ้าทรงสอนพระนี้ตั้งแต่วันแรกเลยพอบวชเป็นพระเสร็จวันแรกก็ให้พระอุปัชฌาย์สอนกิจที่พระภิกษุพึงกระทำสี่ข้อด้วยกันคือ mm hmm. หนึ่งบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัดประจำ mm hmm. สองให้อยู่ตามโคนไม้คืออยู่ในป่าไปอยู่ในที่สงบสงัดวิเวก สให้ใช้ผ้าบางสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วคือผ้าหอ่อศพผ้าบางสกุลนี้เป็นผ้าในสมัยพุทธกาลนี้เป็นผ้าหอ่อศพที่เขาทิ้งแล้วหลังจากศพเน่าเปื่อยกลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วก็เก็บผ้าเหล่านั้นไปซักย้อมแล้ว ต, ตัดเย็บเป็นจีวรขึ้นมาคือให้ใช้แบบนับน้อยจริงๆ ไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านไม่ต้องไปขอให้ชาวบ้านซื้อผ้ามาถวายผ้าเพื่อให้มาตัดเยบ็บจีวเหรืออะไรให้หาผ้าตามมีตามเกิดเรียวกว่าผ้าบางสกุลแล้วก็ให้ฉันยาดองน้ำมูดคือยาดองน้ําปัสสาวะเอานะ้าปัสสาวะมาดองผลไม้เช่นมะขามอะไรนึกชื่อไม่ออก แล้วก็ดื่มเป็นยาได้เวลาปวดท้องปวดศีะอะไร mm hmm. ก็ดื่มยาดองน้ำมูดแทนไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปซื้อยามากิน mm hmm. ตามหลักของศาสนาพุทธนี้ท่านสอนว่าพวกเราทุกคนนี้มีโรคอยู่สามชนิดด้วยกันเหมือนกันทุกคน mm hmm. คือโรคชนิดที่หนึ่งคือโรคที่เป็นแล้วหายเองไม่ต้องรักษาก็หาย mm hmm. เป็นไปสักพัก mm hmm. เดี๋ยวมันก็หาย เจ็บปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ไปรักษาไม่มียาไปรักษาปล่อยมันทิ้งไว้สักวันสองวันเดี๋ยวมันก็หายไปเองได้เรียกว่าโรคชนิดที่หนึ่งโรคชนิดที่สองนี้ถ้าเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหาย <c oughs> ถ้ามีปัญญาก็รักษาไปถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องอยู่กับโรคไปจนกว่าจะไปเจอโรคที่สาม โรคที่สามนี้เป็นโรคที่รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะตายอย่างเดียวนี่คือโรคสามชนิดที่พวกเราทุกคนจะต้องเจอกันต่อให้มีหมอวิเศษขนาดไหนต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนก็ตา่างพอไปเจอโรคที่สามแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปกังวลกับโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายมากจนเกินไป รักษาไปตามมีตามเกิดยันสมัยนี้เขามีสามสิบบาทรักษาทุกโรค ก, ก็รักษาไปไม่ต้องไปดิน้นรักษาโงรงพยาบาลแพงๆคืนละหมื่นสองหมื่มันก็รักษาโรคสามชนิดนี้แหละถ้าไปเจอชนิดที่รักษาไม่ได้ก็ตายเหมือนกันโงรงพยาบาลแพงๆก็มีคนไข้าตายกันเยอะแยะโงรงพยาบาลของรัฐที่สามสิบบาทก็ตายเหมือนกันถ้าจะตาย ที่หายก็หายเหมือนกันดังั้นทางศาสนาเราจึงไม่ค่อยกังวลกับเรื่องการรักษาร่างกายมากจนเกินไปรักษาไปตามมีตามเกิดสําหรับพระนี่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้กินยาดองน้ํามุลน้ํามูลก็ไม่ต้องไปซื้อเป็นของเราเองตอนเช้าเวลาตื่นก็นมาจะฉี่ก็ฉี่ใส่ขวดเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวเวลาจะดองก็ เอาไปต้มซะก่อนก็ได้ต้มฆ่าเชื้อก็ก่อนเสร็จแล้วก็เอามาดองมาขามป้อมก็ได้สมอก็ได้แล้วพอมีโครคภัยไข้เจ็บปวดท้องปวดหัวก็ดื่มยาดองน้ำมูดดีก็รักษาได้นี่คือปัจจัยสี่ของนักบวชคือให้อยู่แบบมากน้อยสันโดษไม่ให้ไปรบ ก, กวนชาวบ้านไม่ให้ไปขอ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ขอแต่ไม่ได้เป็นขอทานคือผู้รับของที่ผู้อื่นให้มาแต่จะไม่ไปรับควรคนนั้นคนนี้ขอนุ่นขอนี่ยกเว้นถ้าเขาแจ้งบอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่าถ้าต้องการอะไรบอกได้ก็ถ้าต้องการก็บอกเขาได้ถ้าเขาไม่แจ้งนี้บอกไม่ได้ยกเว้นถ้าเป็นญาติเท่านั้นบอกได้เช่นถ้าเป็นบิดามารดาพี่น้องอย่างนี้ ถ้าเกิดเราเดือดร้อนขาดแคลนอะไรก็สามารถบอกได้แต่ไปบอกคนอื่นไม่ได้บอกญาติโยมที่มาทําบุญนี่ไม่ได้บอกว่าอขอนน่นขอนี่ <c oughs> ถ้าญาติโยมไม่ได้ประกาศไว้ก่อนว่าถ้าท่านต้องการอะไระก็จะไปขอไม่ได้เพราะไม่ต้องการไปรบกวนชาวบ้านกลัวเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเบื่อไม่ใช่เลยถ้าเริ่มขอแล้วมันจะไม่หยุดนะขอนี่แล้วก็ขอนู่นต่อ ขอสร้างอ้นี้เสร็จก็ขอสร้างไอ้นู่นต่อเดี mm ๋ย hmm. วมีเรื่องให้สร้างให้ต่ออยู่เลยสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมาซ่อมอีกก็ขอให้มาซ่อมกันนี่มันก็จะไม่มีวันสิ้นสุด mm hmm. พระพุทธเจ้าก็ไม่อยากให้พระผู้มาบวชนี้มาสร้าง mm hmm. มาทําอะไรมากจนเกินไปต้องการให้มาศึกษามรรคแปแล้วปฏิบัติตามมรรคแปดมากกว่า mm hmm. ดังนั้นก mm hmm. ็กลับมาที่มรรคข้อที่ห้าคือสามาชีพน คือให้มีอาชีพที่เหมาะสมกับฐานะของเราแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พออย่าไปหวังความน่ํารวยเลยความนั่มรวยไม่ได้เป็นเหตุของความสุขไม่ได้เป็นเหตุของการพ้นทุกข์แต่กลับกลายเป็นเหตุของการมีทุกข์มากขึ้นไปอีกเชื่อไหมว่าคนรวยนี่ทุกข์มากกว่าคนจนคนรวยเวลาตายนี่ทุกข์มาก มีเงินร้อยล้านพันล้านนี่เสียดายห่วงห่วงขอทานนี่เวลาตายนี่ตายอย่างสบายไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องห่วงต้องห่วง <Yeah. S 1> นี่งั้นอย่าไปหลงอย่าไปคิดว่าความร่ำรวยนี่จะทำให้เรามีความสุขจะทำให้เราไม่มีความทุกข์มันกลับจะทำให้เรามีความทุกข์มากกว่าตอนที่เราไม่รวยสิงั้นอย่าไปวุ่นวายกับการ ทำอาชีพเพื่อทําให้เราเล่ํารวยเลยทำอาชีพพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของได้ก็พอถ้าเราอยากรล่ํารวยมากๆบางทีเราอาจจะต้องไปทําอาชีพที่เป็นบาปอาชีพที่ทุจริตอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําให้ผู้อนเขาเสียหายเดือดร้อนเช่นพวกค้าอาวุธอย่างนี้พวกทําฟาร์มเนี่ยทำฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรอย่างนี้ ฆ่าไก่่ันทีเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเพื่อที่จะทำให้ตนเองร่ำรวยอาทีอย่างนี้ได้มาไม่คุ้มเสียตายไปไม่รู้จะต้องกลับไปเกิดเป็นไก่ไม่รู้กี่กี่หมื่นกี่แสนล้านครั้งกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหมนะ่ให้คิดอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่เราฆ่าอะไรเราจะต้องไปเป็นสิ่งนั้นเป็นสัตว์ชนิดนั้นให้เขาฆ่าเราฆ่ามดสิบครั้งก็ต้องสิบตัวก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมดสิบครั้ง ดูแล้วเมื่อไห่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ฆ่าเลยนี่เราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในละชานให้เขาฆ่าเลยเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว<ม>กลับมาปฏิบัติมรรคแปดต่อ<ม>ชีวิตของเรานี่มีประโยชน์อยู่ตรงนี้เท่านั้นนะการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่เราจะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เพราะถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ตอนนี้เรายังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เรากลับมาเกิดเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับการพัดพรากจากกันมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่อยากจะเจอกันแต่ก็หลีกไม่ได้เรียกไม่ได้เช่นตอนนี้เรามาเจอโรค โควิดสิบไม่มีใครอยากจะเจอมันแต่มันก็มาหาเราเองจะหนีจากมันก็หนีไม่ได้ก็ต้องหัดทำใจอยู่กับมันไปแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เผื่อวันใดเกิดมันเข้ามาในร่างกายของเราก็าต้องปรงอั น, นิจังกันอันนี้คือการมาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องจะมาต้องมาเจอกับความทุกข์ชนิดต่างๆ แต่ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วโชคดีได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็ควรรีบศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนําเอาไปปฏิบัติให้ได้เ <Yeah. S 1> พราะถ้าปฏิบัติได้แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป <Yeah. S 1> ดังนั้นเราต้องมาศึกษาว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกัน เราก็เรียนมาถึงข้อที่ห้าเราคือสาัมมาชีพข้อที่6ก็คือสัมมาวายโมแปล ว, ว่าความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก็เพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเองเพียรศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆตามที่ได้ทรงแสดงไว้ในมงคลละสุกาเลนะธรรมสวัง การเนธรรมสากัจฉาเอตัมมังกัลมุตตะมังการฟังธรมตามการตามเวลาการสนทนาธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิง่งเพราะจะได้เรียนรู้ธรรมที่เราไม่รู้มาก่อนธรรมที่เราได้รู้แล้วพอเราได้ยินได้ฟังซ้ําขึ้นอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลําดับแล้วก็จะทําให้ กำจัดความสงสัยต่างๆไปได้หมดว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีจริงหรือไม่กรรมมีจริงหรือไม่นราลกสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมสนนนาธรรมกับผู้รู้อยู่เรื่อยๆแล้วความสงสัยเหล่านี้จะหายไปหมดจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อถ้ายังไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจ แล้วก็จะไปเกิดในภพที่ดีหรือภพที่ไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปได้ทำไว้จะเชื่อเมื่อเชื่อแล้วจะได้มาแก้ปัญหาที่เรากำลังตกอยู่ในขณะนี้ก็คือมาศึกษามารรคแปดกันเพราะมรรคแปนี้แหละคือเครื่องมือที่จะมาแก้ปัญหาของพวกเรานทุกคนปัญหาของการมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด จะสิ้นสุดลงได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามมรรคแปดได้ดังนั้นมรรคข้อที่หจึงสอนให้เรามีความเพียรพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งตามแบบโบราณโบราณนี้เขาจะหยุดวันทางานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นวันพระวันพระท่านเรียกว่าวันธรรมัาสวนะัสแต่ว่าวันฟังธรรม สมัยก่อนต้องไปวัดเพราะว่าธรรมะมีอยู่ในวัดที่เดียวเท่านั้นต้องมีพระที่มีธรรมะมาแสดงธรรมให้ฟังถ้าไปที่อื่นจะไม่มีธรรมให้ฟังต่างกับสมัยนี้พวกเราโชคดีมากตอนนี้พวกเราสามารถฟังธรรมได้ยีบสี่ชั่วโมงเลยอยากจะฟังธรรมตอนไหนนี่เปิดมือถือของเราขึ้นมาได้เลยมีธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายก่ายกอง ธรรมของพระพุทธเจ้าที่บรรจุไว้ในพระไตไปิฎกก็มีอยากจะอ่านพระสูตรอันไหนก็สามารถเรียกขึ้นมาอ่านได้เลยพวกเราถือว่าอยู่ในยุคที่จะเดินในการศึกษาล่ําเรียนเราจึงควรที่จะาตักตวงผลประโยชน์จากการเ่ําเรียนนี้ที่ได้ที่สะดวกง่ายได้รวดเร็ ว, ร ว, รวไม่เหมือนกับในอดีตที่จะต้องรอ วันพระถึงจะไปวัดกันได้เพราะวันอื่นต้องไปธรรมหากินกันพวกเราถึงแม้จะต้องธรรมหากินแต่เราก็ยังสามารถปิดมือถือได้เวลาพักเที่ยเวลาที่เราพักกลางวันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็เปิดธรรมะขึ้นมาดูได้เปิดขึ้นมาศึกษามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่คอยฟังอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราลืมได้ ฟังหนเดียวเดี๋ยวเราไปทำภารกิจอย่างอื่นไปคิดเรื่องราวอย่างอื่นทาที่เราได้ยินในตอนนี้ก็จะถูกกลบไปถูกเรื่องอื่นที่เราไปทำกลบไปหมดล้วฟังแล้วก็ลืมไปก็พอลืมก็เลยไม่ได้นำมาไปปฏิบัติอย่งนั้นต้องคอยฟังอยู่เรื่อยให้มันทันสมัยอยู่เรื่อยให้มันเป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยอย่าให้มันกลายเป็นอดีต ถ้ากลายเป็นอดีตแล้วมันจะจําไม่ได้เช่นอาทิตย์ที่แล้วญาติโยมมาฟังธรรมเนี่ยจําได้ไม่ว่าฟังเรื่องอะไรบ้างถ้าไม่ทอยทบทวนนี้จะลืมไปหมดนะแม้นะแต่คนพูดเองยังจําไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสัญญาความจำํจำจําไม่ได้หรอกอาทิตย์ที่แล้วหรือเมื่อวานนี้เทศเรื่องอะไรจําไม่ได้นะเพราะมันอยู่ในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆเห็นบางทีต้องคอยทบทวนอยู่เรื่อยๆ ด้วยการคอยฟังอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ลืมเพราะถ้าเราลืมเราก็จะปฏิบัติไม่ได้เมื่อไม่ปฏิบัติการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เห็นต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมหมั่นสนทนาธรรมกันเวลาเจอกันอย่าพูดเรื่องเพ้อเจ้อพูดเรื่องธรรมะดีกว่าพูดเรื่องมีสาระเรื่องที่มีสาระมีคนประโยชน์มากที่สุดก็ ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องมรรคแปดสัรรมมาทิฏฐิพูดเรื่องสัมมาสังกปรพูดเรื่องราเหล่านี้แล้วจะทําให้เราฉลาดขึ้นมีความรู้มากขึ้นแล้วเราจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเวลาที่เรานำเอาไปปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเพียรกันเรียกว่าสัมมาวายาโมความเพียรชอบ เพียนศึกษาและเพียนปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็หลุดพ้นด้วยความเพียรนี่แล้วความเพียรที่ถูกต้องก็คือเพียนศึกษาคําสอนแล้วเพียนปฏิบัติคําสอนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเพียนปฏิบัติมรรคแปดนี่เราจะนําไปสู่มรรคข้อที่เจที่เราจะต้องมาเพียนสร้างกัน เบื้องต้นเราก็สร้างข้อที่สองข้อที่สามคือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาด้วยการรักษาศีลต่างๆรักษาศีลห้าบ้างรักษาศีลแปดบ้างรักษาศีลสองอยบเจ็ดบ้างอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะพาให้เราไปปฏิบัติทำขั้นที่สูงต่อไปได้คือสัมมาสติขั้น สัมมาสตินี้ก็เป็นมรรคองค์ที่7ที่เราจะต้องมาสร้างกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีสตินี้เราจะไม่สามารถสร้างมรรคองค์ที่8คือสัมมาสมาธิได้แล้วถ้าเราไม่มีสัมมาสมาธิเราก็จะไม่สามารถนําเอาสัมมาทิฏฐิมาตัดกิเลสได้สัมมาทิฏฐิโดยที่ไม่มีสัมมาสมาธิเป็นผู้ประสนับสนุนนี้จะไม่มีกําลัง ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนที่ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้รับประทานอาหารถ้าเอาคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอนไปทำงา น, งานก็ทำไม่ได้ผลพอไปถึงที่ทำงานเขาก็จะหลับหรือจะหิวไม่มีเรื่องไม่มีแรงที่จะทำงานสมาธินี่สัมมาสมาธินี่เป็นอาหารของผู้ปของผู้ปฏิบัติของใจเลยและก่อนที่จะได้สมาธิก็ต้องมีสติก่อน เพราะว่าถ้าไม่มีสติก็เข้าสมาธิไม่ได้ถ้ายังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอยู่คิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่นั่งสมาธิไปกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ไม่สามารถเข้าถึงสมาธิได้จะเข้าถึงสมาธิได้ต้องมีสติหยุดความคิดให้ได้ต้องดึงจิตให้มาตั้งอยู่ในปัจจุบันให้ได้ให้สักแต่ว่ารู้ให้ได้ ถ้ายังมีความคิดอยู่จิตก็จะไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างมันก็จะไม่เข้าไปในสมาธิเหมือนเวลาที่เราจะเข้าประตูบ้านเนี่ยถ้าเราเมาในบางทีโซเซเซไปทางซ้ายของประตูบางเซไปทางขวาของประตูมันก็เข้าไม่ได้มันต้องอยู่ตรงกลางของประตูถึงจะเข้าบ้านได้แต่ใ น, นคนเมาเหล้าก็เหมือนก็นคนไม่มีสติเนี่ยบางทีเดินเข้าบ้านไม่ได้มองเห็นประตู ไม่ชัดเจนมองเห็นว่าอยู่ทางซ้ายบ้างเห็นอยู่ทางขวาบ้างคนที่ไม่มีสติก็เหมือนกันจิตก็จะไม่อยู่ในปัจจุบันจิตก็จะไปคิดถึงอดีตถึงอดีตเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ไปทำอะไรกันมามีเรื่องมีราวที่ไหนบ้างอย่างไรหรือแม้ไก็คิดถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรดีหรือคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ใกล้ที่ไกล คิดถึงคนนั่นคนนี้มันจะทําให้จิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันถ้าจะอยู่ในปัจจุบันมันต้องอยู่ที่ร่างกายเอ็นในสัมมาสตินี้ในสติปัฏฐานสี่ท่านสอนให้เจริญสติที่ร่างกายเรียกว่ากายยกตาสติให้คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกอิริยาบทตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าพอลืมตาขึ้นมาก็ให้ดูทันทีว่าตอนนี้ ร่างกายอยู่ในเอเริยบทไหนเอาอกำลังอยู่ในท่านอนก็รู้ว่ากำลังอยู่ในท่านอนพอจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมานั่ง <reps es. S 2> พอจะยืนก็รู้ว่ายืนพอเดินก็รู้ว่าเดินพอไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็รู้ว่ากำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันคือรู้อย่างเดียวไม่ให้ไปรู้เรื่องอื่นไม่ใช่อาบน้าไปก็คิดถึงเดี๋ยวจะไปกินข้าวไปกินอะไรดี จะไปแต่งตัวชุดไหนดียังไม่ถึงเวลาให้คิดให้คิดอยู่กับเรื่องอาบน้ําอย่างเดียวตอนนี้กําลังฟอกสบู่ตอนนี้กําลังทําอะอะไรก็ทําไปให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถึงจะมีสติที่จะหยุดความคิดที่จะไหลไปกับอารมณ์ของอดีตของอนาคตต่างๆได้ <Yeah. S 1> นี่คือสัมมาสติคือต้องมีสติให้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็คือร่างกายนี่เองถ้าเรากลับมาที่ร่างกายปั๊บเราก็กลับมาที่ปัจจุบันทันทีแต่พอเราไปคิดถึงกรุงเทพคิดถึงเชียงใหม่เราก็ไปละไปอดีตแปลนาคตละไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเลยถ้าไม่อยู่ในปัจจุบันมันจะไม่หยุดคิดนะแต่ถ้าอยู่ในปัจจุบันแล้วมันจะหยุดคิดได้แล้วพอมันหยุดคิดได้ถ้านั่งเฉยๆมันก็จะเข้าสู่สมาธิได้ พอเวลานั่งเฉยๆท่านก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนจากการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มาดูที่ลมหายใจเท่าออกแทนให้นั่งดูว่าตอนนี้นั่งหลับตาตั้งตัวให้ตรงนั่งขัดสมาต์ตั้งตัวให้ตรงถ้าขัดสมาต์ไม่ได้ก็นั่งตามอัธยาศั ย, ยนั่งบนเก้าอี้ก็ได้หรือนั่งพัพเพียบ ก, ก็ได้แล้วแต่จะถนัดถนัดแบบไหนก็นั่งไป การนั่งสมาธินี้ไม่ได้สําคัญอยู่ที่ท่านั่งสําคัญที่สติว่าสามารถหยุดความคิดได้หรือเปล่าสามารถดึงจิตให้เข้ามาอยู่ในปัจจุบันได้หรือเปล่านั้นต้องพยายามเพียรสร้างสติขึ้นมาสัมมาวายาโมก็คือเพียรศึกษาวิธีสร้างสติพอรู้วิธีสร้างสติแล้วว่าสร้างอย่างไรปฏิบัติสติอย่างไรก็เพียรปฏิบัติไป ต้องเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพระพุทธเจ้าสอนพระนี้ให้เจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไม่ให้อยู่ปราสจากสติไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทำกิ จ, จวัตรอะไรทำข้อวัดอะไรก็ตามให้มีสติอยู่กับร่างกายทุกอิเดีาบทเพราะร่างกายนี้แหละเป็นเครื่องมือที่เราจะทำอะไรต่างๆ แล้วถ้าเราอยู่กับร่างกายจิตของเราก็จะมีสติจิตของเราก็จะหยุดความคิดต่างๆได้แล้วเวลานั่งสมาธิเราก็จะสามารถนั่งดูลมหายใจเข้าออกได้ถ้านั่งดูลมอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวไม่นานหนาทีสินาทีจิตก็รวมเป็นสมาธิได้ก็จะนาไปสู่มรรคข้อที่8ปคือสัมมาสมาธิ สมาธินี้ก็มีสมาธิที่เป็นสัมมากับเป็นมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องมีอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งคันธิกะสมาธิและสองอัปปนาสมาธิคันธิกะกับอัปปนานี่เป็นจิตที่สงบนิ่งเหมือนกันจิตรวมตั้งอยู่ในความสงบเป็นอุเบกขามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงปรากฏขึ้นมาในจิต จิตยุติความคิดปรุงแต่งจิตจะว่างไม่มีอะไรต่างกันตรงที่คณิกะนี้สงบเพียงไคณขณะเดียวคือเดียวเดียวเหมือนมอนงูลาบลิ้นส่วนอัปปนาสมาธินี้สงบได้ได้นานกว่าคณิกะก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิสงบตั้งแต่หนึ่งนาทีสนาทีสามนาทีไป ก็ถือว่าเป็นอัปปนาสมาธิได้จนถึงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็มีอันนี้เป็นอัปปนาสมาธินี่คือสมาธิที่ถูกต้องที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่จะริญนสตินั่งสมาธิต้องการคือเบื้องต้นจะได้คณิกะสมาธิก่อนเพราะว่าสติกำลังมียังมีกาลังน้อยอยู่ไม่สามารถที่จะดึงจิตให้อยู่ในสมาธิได้นาน มีกําลังพอที่จะให้เข้าไปในสมาธิได้แล้วก็ถูกกิเลสดันออกมาทันทีจิตของเรานี้ที่ไม่อยู่ในสมาธิกันก็เพราะกิเลสคือกามะฉันทะความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมันจะคอยดันจิตให้เรามาที่ร่างกายมาที่ตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่จะได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกันเอ สติเป็นตัวที่คอยดึงจิตให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลดตภัณฑ์ทุกครั้งที่เราดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเราก็กำลังดึงจิตให้เข้าไปข้างใน <Yeah. S 1> หรือถ้าเราจะใช้คำบริกรรมพุทโธแทน <Yeah. S 1> การเฝ้าดูล่างกายก็ได้หรือทำทั้งสองอย่างก็ได้ทำให้มีสติมีกำลังเพิ่มมากขึ้นก็ได้ดูร่างกายแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปด้วย จะทำให้ใจไม่ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้ <Yeah. S 1> ใจก็จะเข้าข้างในได้ในขั้นต้นเวลาเรานั่งสมาธิใหม่ๆนี้ถ้าจิตรวมนี้จะรวมได้เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเราเรียกการรวมชั่วขณะหนึ่งนี่ว่าเป็นคณิกาสมาธิรวมอยู่ในความสงบอยู่ในความว่างอยู่ในความเย็นอยู่ในอุเบกขานี่คือสมาธิที่ถูกต้องมีสองอันด้วยกัน คือหนึ่งคณิกะสมาธิสงบนิ่งอยู่ชั่วขณะหนึ่งและสองอัปปนาสมาธิสงบได้นานเรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่เป็นความสงบเหมือนกันคือนิ่งสงบไม่มีอะไรให้ปรากฏมารับรู้ส่วนสมาธิชนิดที่สามนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจาระสมาธินี่เป็นสมาธิที่เกิดหลังจากที่ได้อัปปนาสมาธิแล้ว คือพอจิตสงบตั้งมั่นอยู่แล้วจะไม่อยู่เฉยๆจะไปทะเลถลายออกไปท่องในโลกทิพย์จะไปมีอภิญยาต่างๆนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิคือมีอภิญญามีความสามารถพิเศษเช่นสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้สามารถไปท่องในสวรรค์ในในนรกได้ไปเที่ยวไปเที่ยวดูสวรรค์ดูนรกได้ หรือไปอ่านความคิดของผู้อื่นได้คนอื่นกำลังนั่งคิดอะไรอยู่นี้ไปแอบฟังดูว่ากำลังคิดด่าเราหรือเปล่าได้นี่อปรปะลจิตต ว, วิชาการอ่านการอ่านความคิดของผู้อื่นหรือติดต่อกับเท ว, วดาแสดงธรรมสอนเท ว, วดาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ใช้อุปจารสมาธิถึงแม้ว่าจะเป็นวิฉาวิชาในที่นี้ก็คือ เป็นสมาธิที่ไม่สนับสนุนการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์อย่าเพิ่งไปเล่นกับอุปจารสมาธิมาสร้างอัปปนาสมาธิให้มากๆเพราะเราต้องอาศัยอัปปนาสมาธิให้กําลังกับจิตใจที่จะสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงได้ความอยากต่างๆได้งั้นอย่าไป อย่าไปเล่นเก่าอภิญยาถ้าสมมุติว่าเราเป็นพวกที่มีมีสิทธิ์ที่จะไปเข้าถึงอุปจาระได้แต่มีน้อยไม่ใช่ทุกคนนะบอกให้รู้ก่อนพวกคนที่ปฏิบัติสมาธินี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะได้อุปจาระสมาธิด้วยกันทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้คนิกกะกับอปปนาสมาธิเหมือนกันแต่ผู้ที่จะได้อุปจารสมาธินี้ มีน้อยมากท่านบอกว่าร้อยละห้าคนร้อยคนนี้จะมีสักห้าคนที่จะได้อภิญยาต่างๆที่จะอ่านอ่านรารจิตของผู้อื่นได้แล้วลึกชาติของตนได้มาชาติก่อนเกิดที่ไหนเป็นอะไรมาแต่ความรู้เหล่านี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมและการเข้าสมาธิแบบนี้จะทำให้จิตใจไม่มีพลัง เพราะว่าจิตไม่ได้พักผ่อนนั่นเองเพราะจิตต้องต้องไปท่องเที่ยวไปใช้สัญญาสังขารวิญญาณพอออกจากสมาธิมานี้จะไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะไปต่อสู้กับกิเดถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนเวลานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับแล้วฝันกับเวลานอนหลับแล้วไม่ฝันนี้จะมีความต่างกันเวลานอนหลับเรไม่ฝันนี้ตื่นขึ้นมาจะสดชื่นได้พักผ่อนเต็มที่ แต่เวลาหลับที่ฝันแล้วบางทีตื่นมาแล้วเหนื่อยโดยเฉพาะถ้าไปฝันเรื่องไม่ดีนี่ยิ่งทำให้นี่จิตใจนี่หดหู่จิตใจไม่มีพลังได้อย่างนั้นท่านถึงเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิอุปจาระแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีเสียอย่างเดียว มันมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วผู้ที่ดูดพ้นจากความทุกข์แล้วเช mm hmm. ่นพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสามารถช่วยสอนให้กับเทวดาได้เพราะท่านสามารถแสดงธรรมโดยใช้อุปจารสมาธิอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ายามดึกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเทวดาตา น, นั้นพระพุทธเจ้าต้องเข้าไปในอุปจารสมาธิ เพียจะติดต่อกับพวกเทวดาพวกกายทิพย์ได้เช่นพระพุท ธ, ธมารดาพระพุทธเจ้าก็ใช้อุปจารสมาธินี้ไปแสดงธรรมโปรดพุท ธ, ธมารดาจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเนี่ยอุปจารสมาธิมีประโยชน์เป็นเครื่องมือที่จะใช้เผยแผ่ธรรมได้หรือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธ า, ธาเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ได้ คบาอาจารย์บางองค์นี้ใช้ท่านใช้อิทธิฤิธิปฏิหารสแสดงให้ผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้เกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาได้แต่สำหรับผู้ปฏิบัติเองนี้มนไม่มีไม่มีประโยชน์ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นถ้าในช่วงที่กำลังเจริญสติเพื่อเข้าสมาธิแล้วพอไปได้อุปจารสมาธินี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมัน พยายามดึงจิตให้กลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิใหม่ด้วยการใช้สติดึงกลับเข้ามาจะใช้พุทโธหรือใช้อะไรดึงกลับเข้ามาก็ได้แต่อย่าปล่อยให้มันออกไปท่องเที่ยวนโลกท่องเที่ยวสวรรค์อย่าปล่อยให้มันไปพบปะกับเทวดากายทิพย์ต่างๆอย่าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้หรือไประลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเป็นอะไรชาติก่อนนั้นเป็นอะไรร้อยชาติที่ผ่านมาเป็นอะไรมา มันไม่มีประโยชน์ในการที่จะทำให้จิตสงบทำให้จิตมีพลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ยั <Yeah. S 1> งอย่าเพิ่งไปยุ่งกับอุอปจารสมาธิถ้าเราเป็นผู้ที่มีวาสนาที่จะเข้าถึงได้ถ้าไม่มีวาสนาก็ถือว่าโชคดีจะได้ไม่มีอะไรมาทําให้เราต้องอเสียเวลา <Yeah. S 1> บางคนถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วพอไปนั่งสมาธิแล้วได้อุปจารสมาธิก็จะคิดว่าเป็นของวิเศษ ก็เลยไม่คิดสนใจที่จะไปฆ่ากิเลสคิดว่าจะเอาความรู้วิเศษนี้มาหากิจกันแทนเป็นหมอดูบ้างทำลายทายทักอะไรต่างๆบ้างขึ้นมาแทนที่จะามาฆ่ากิเลสก็เลยกลับมารับใช้กิเลสเพราะกิเลสอยากให้เราหาเงินหาทองหาความสุขทางโลกกันนองดัง น, นั้นผู้ที่มีวาสนธทางอุปจารสมาธิมี มีความอภิญยาอย่างใดอย่างหนึง่งอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจมันไม่ได้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดวิมุตติธรรมคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มันจะมีประโยชน์หลังจากที่เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งของการเวียนว่ายตายเกิดคือมันจะเป็นเครื่องมือให้เราสามารถเอามาใช้เผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อนได้กว้างขวางมากขึ้นนั่นเอง และสามารถอ่านจิตใจของลูกศิษย์ลูกหาได้ถ้าลูกศิษย์ลูกหาคนไหนเริ่มคิดไปในทางไม่ดีก็อาจจะไปเตือนบอกคอยห้ามไว้อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดแล้วเดี๋ยวจะไปหาความทุกข์พอรู้ว่าอาจะรู้ว่าเขาจะคิดอะไรนี้ต่อไปลูกศิษย์ก็จะไม่อาจจะไม่กล้าคิดก็ได้ก็พยายามที่จะตั้งใจคิดเป็นธรมมาสังโปรคิดที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไอย่างเดียว ครูที่กูบาอาจารย์สมัยที่อยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านกลัวหลวงปู่มั่นมากเพราะหลวงปู่มั่นท่านมีอุปจารสมาธิท่านติดต่อกเทวดาได้ท่านเทศให้เทวดาฟังได้ท่านอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้ดังนี้พระที่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนี้จะไม่กล้าคิดนอกลู่นอกทางนันนั่นจึงทําให้ท่านเหล่านั้นบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาเป็นจนํานวนมาก พอมีครูบาอาจารย์คอยเฝ้าตรวจทั้งทางกายและทางใจทางกายก็คือเวลาเจอกันเวลาปฏิบัติทับข้อวัดต่างๆก็พอทาอะไรผิดก็จะเตือนทันทีส่วนทางใจท่านก็อ่านใจของเราได้ด้วยมันก็ยิ่งทำให้เราไม่กล้าไปคิดเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆที่าเดี๋ยวท่านรู้เดี๋ยวท่านก็มาเตือนเราแล้วถ้าเรายังดื้ออยู่ท่านก็จะไล่เราออกจากวัดไปนะจริงๆนะนี่คือประโยชน์ของครูบาอาจารย์ ที่ท่านมีอภิญญาเหล่านี้จะช่วยคุมกิเลสของลูกศิษย์ได้ท่านไม่ได้คุมลูกศิษย์ท่านช่วยลูกศิษย์คุมกิเลสเพราะกิเลสของลูกศิษย์ น, นี้บางทีลูกศิษย์สู้ไม่ไหวท่านก็เลยต้องมาช่วยมาเตือนลูกศิษย์ว่าอย่าปล่อยให้คิดไปในทางนั้นพอรู้ว่าอาจารย์คอยเฝ้าดูความคิดอยู่ก็เลยที่ไม่กล้าคิดเลยเมื่อก่อนก็คิดว่าเออเราคิดของเราคนเดียวในใจไม่มีใครรู้ก็คิดไป แต่ต่อมามาันรู้ให้คนอื่นมันรู้เนี่ยวะเดีนี้ก็ไม่กล้าคิดล้ะก็เหมือนเวลาเราไปทําบาปทําผิดนี้ถ้าเรารู้ไม่มีใครเห็นแล้วก็กล้าทํากันใช่ไหมแต่พอ ร, รู้ว่ามีคนเฝ้าดูตลอดเ ร, เราตลอดยี่บสี่เราจะไปกล้าทําหรือเปล่าไม่กล้าทำํำเพราะกลัวจะถูกจับได้ไ น, นี่คือเรื่อง ส, มสมัมมาสมาธิการมิจฉาสมาธิที่เป็นมรรคองค์ที่แปด สำหรับพวกเราที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกนี้เราต้องเน้นที่สัมมาสมาธิคือที่คานิกะและอัปปนาสมาธิถ้าได้อัปปนาแล้วก็พยายามทําบ่อยๆทํามากๆให้มันทําให้จิตเราเย็นตลอดเวลาแม้ขณะที่ออกจากสมาธิมาก็ยังเย็นอยู่เพราะเราต้องอาศัยความเย็นความอิ่มของจิตนี้มาต่อสู้กับกิเลสตัณหานัหนนี้ นี่แหละคือเรื่องของความเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาเพียรกันถ้าต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีความเพียรเพียรหนึ่งเพียรศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือศึกษามรรคแปนี่เอง2เพียรสร้างปฏิบัติตามที่เราได้เรียนเพียรปฏิบัติมรรคแปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิ ถ้าเราเพียรปฏิบัติมักแปอยู่เรื่อยๆแล้วจิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปความทุกข์ต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปจนในที่สุดก็จะหายสิ้นไปจากใจอย่างถาวร น, <Yeah. S 1> นี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมาศึกษาและมาทำความเข้าใจกันว่าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เราต้องพุ่งตนเองเราต้องปฏิบัติเองเราต้องเพียรพยายามเอง ครบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้ามาปฏิบัติให้กับเราไม่ได้ท่านเป็นเหมือนกองเชียร์เป็นเหมือนโคช้ชท่านบอกวิธีการกระทาต่างๆเช่นนักมวยนี่โคชช้ชจะคอยกระซิบชกซ้ายชกขวาโน่นนะแต่เวลาขึ้นเวทีนี้โคชช้ชไม่ได้ขึ้นไปด้วยนะฉั<ง>้นเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองต้องศึกษาเองแล้วการหลุดพ้นจากกองทุกก็จะเกิดขึ้นเองในตัวของเราเอง น, นี่คือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเววะหากราปริลกุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตชินนางเปตานางอุปกาปฏิอิชิตังปฏชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาชันตุสัพพารโควินัศสตุมาเตภวตตวันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนสสิลิตะนิจังวุทธาปจายโนจตารุธรมมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลางังมาลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามเคยมีคำถามอะไรอยากจะถา ม, มเชิญถามได้ด้วยตนเองก็ได้ หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้ขอสำรวจก่อนว่าผู้ติดตามวันนี้มีเท่าไหร่ Facebook พระจันร์สุชาติพิชาโตสามรอยปดสิบค่ะ Facebook พ่อจอสุชาติห้าสิบสองยอดรวมสี่ร้อยสามสบสอง YouTube สองอยี่สิบปดวิทยุออนไลน์สิบสาม Zoom สิบผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสี่สิบสองรวมแปด้อยสบห้าท่านค่ะวันนี้ okay. ใครมีคําถามอะไรเชิญถามได้เลยกลับหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูไม่เข้าใจค่ะหลวงพ่อช่วยเมตตาอธิบายว่าเราจะมองท่าสีให้เป็นไตรลักษณ์ในขั้นของพระโสดาบันได้ยังไงเจ้าคะก็ดูว่ามันเป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมือถือนี่เราก็เอาชิ้นส่วนต่างๆมาสร้างมันขึ้นมาใช่ไหมชิ้นส่วนต่างๆนี่มันมาจากไหนก็มาจากละท่าต่างๆ วัตถุต่างๆที่มีในโลกนี้ขุดขึ้นมาแล้วก็มาผ่านขบวนการของการผลิตมันก็ได้เป็นมือถือขึ้นมาร่างกายเรามันก็ผ่านการขบวนการผลิตของธาตุสี่ธาตุสีถ้าเราไม่กินข้าวนี่เราก็อยู่ไม่ไมร่างกายก็ไม่โตใชนะ่แล้วข้าวมันมาจากไหนมันมาจากดินนะนะก็เป็นธาตุดินนะ ผาพวกธาตุที่เป็นของแข็งนี่แล้ว่าเป็นธาตุดินอาหารที่เรากินนี่เป็นส่วนแข็งนี่ก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำธาตุน้ําแล้วลมที่เราหายใจเข้าไปแล้วธาตุไฟก็แสงความร้อนจากแสงอาทิตย์นี่เข้ามาเป็นอุณหภูมิทําให้ร่างกายเรามีอุณหภูมิแล้วก็เกิดจากการผลิตอุณหภูมิภายในร่างกายของเราเวลาที่ธาตุทั้งสามคือดินน้ําลมมาผสมกัน ในท้องเช่นเวลาเรารับประทานอาหารจะรู้สึกร่างกายจะร้อนขึ้นกว่าปกติมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีก็ <Yeah. S 1> คือเนี่ยแหละคือร่างกายของเราต้องมีธาตุสีเป็ น, นวัตถุดิบต้องมีดินมีน้ํามีลมมีไฟนั้นพอมารวมกันในร่างกายก็เป็นเหมือนโรงงานโรงงานที่จะผลิตชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายอืม เราก็ไปผลิตเราก็ไปเสริมถ้าตอนต้นเวลาเกิดใหม่ก็ไปผลิตชิ้นส่วนต่างๆเวลาอยู่ในท้องแม่นี่แล้วก็ธาตุสีนี้ดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุดิมาสร้างอาการ32ลองศึกษาดูทารกเียเวลาจจรินเติบโตก็มีอวัยวะต่างๆค่อยๆปรากฏขึ้นมาทีละอันสองวันพอได้ครบ32พอโตเต็มที่ก็คลอดออกมาจากท้องแม่ แล้วก็เติมธาตุต่อไปธาตุแรกที่เติมก็คือธาตุลมนออกมาจากท้องแม่านต้องหายใจแลต้องเติมลมเพราะต้องอาลมไปผสมกับธาตุน้ำธาตุธาตุดินที่ได้มาจากน้ํานมน้ํานมนี้ก็มีทั้งธาตุดินผสมกับธาตุน้ําแต่เราไม่เรียกว่าดินน้ำเราไปเรียกว่านมเราเรียกว่าตัวตีนเมืออะไรต่างๆตามภาษาแพทย์ที่เราเรียนกันแต่ความจริงถ้ามองจาก ทางมุมมองของธาตุมันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ําผสมกันอแล้วพอมันเข้าไปในร่างกายมันก็ไปเสริมอวัยวะต่างๆให้เจริญเติบโตขึ้นให้หัวใจใหญ่ขึ้นให้ปอดใหญ่ขึ้นให้กระดูกใหญ่ขึ้นร่างกายก็เจริญเติบโตมาถ้าไม่ไม่เติมธาตุทั้งสี่มันจะเจริญเติบโตได้ไหมถ้าไม่เติมลมมันก็ตายแล้วไม่เติมน้ําไม่กี่วันมันก็ตายไม่กินอาหารไม่กี่วันมันก็ตาย มันต้องมีการเติมธาตุทั้งสี่เหล่านี้อยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะริญเติบโตไปยจนกระทั่งมันแก่เจ็บแล้วก็ตายไปพอตายมันก็แยกกันออกอยู่แล้วศพถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆยสิ่งแรกที่ออกจากร่างกายก็คือลมลมไม่เข้าแล้วก็มีแต่กลิ่นที่ระเหยออกมาเป็นเป็นธาตุนมแล้วก็ตามไปด้วยธาตุไฟร่างกายก็เย็นนะทีนี้ไปจับดูร่างกายของคนตายนี่ต่างกับร่างกายของคนเป็น ถ้าตุไฟก็แยกไปแล้วเดี๋ยวให้กลับน้ํากับดินเดี๋ยวมันก็แยกกันออกน้ําที่อยู่ในร่างกายมันก็ไหลออกมาตามทวาน ต, าต่างๆตอนนที่สุดก็เหลือแต่ธาตุดินร่างกายก็กลายเป็นเหลือแต่อวัยวะที่แห้งที่แห้งกรอบกระดูกทิ้งปัญน า, นานมันก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือการพิจารณาธาตุสีในร่างกายต้องดูตั้งแต่มันจุดเริ่มต้นของมันเริ่มต้นที่ธาตุสีของพ่อของแม่มารวมกัน แล้วก็มาขยายพันธุ์ต่อไปสร้างอวัยวะต่างๆด้วยธาตุสีในท้องแม่ก่อนแม่ก็ธาตุสีที่แม่กินเข้าไปในร่างกายมามามาหล่อเลี้ยงทารกให้เจริญเติบโตขึ้นมาไม่มีจิตจิตไม่เกี่ยวข้องกับในร่างกายเลยจิตเพียงแต่มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายผ่านทางกระแสของวิญญาณ จิตมีกระแสวิญญาณเป็นเหมือนเสียงสายเสียบที่เราเสียบเครื่องหูฟังเนี่ยเครื่องไมโครโฟนเนี่ยพอเราเสียบแล้วก็สามารถใช้ไมโครโฟนทําอะไรได้จิตก็เอากระแสของวิญญาณห้ากระแสมาเกาะที่ร่างกายแล้วก็รับรูปเสียงกดลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกร่างกายแล้วก็ใช้สังขารความคิดสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆต่อไปนี่คือหน้าที่ของจิตคือนาำขันสี ตัวหน้างารนี้เป็นเหมือนโทรศัพท์คอยรอรับคําสั่งของคนใช้อย่างเดียวนเกี่ยวกับหน้าท่าสี่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเราไปเคลมมันเองเหมือนเราไปเคลมว่ามือถือนี่ของเรามันเป็นของเราเพราะเราไปจ่ายเงินเท่านั้นเองเดี๋ยวพอขโมยมันขโมยไปมันก็ไม่เป็นของเราแล้วมันก็เป็นของขโมยไปอันยิงมันเลยเป็นของใครมันเป็นของธาตุสี่นิ้น้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ทาตเนี่ย โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวต่อไปมันก็ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่กองขยะชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ไม่ได้มันก็กลับไปสู่กองขยะเขาไปกรบฝังกลายเป็นดินไปนี่นก็จารณนทั้งเห็นภาพจนทั้งเห็นว่ามันเป็นจริงเหมือนกับคนที่เขาพิจารณาโลกโลกกลมกับโลกแบนนะต้องพิจารณาจนเห็นชัดว่าเออมันไม่แบนมันกลมเขาพิจารณาไงเขาก็ดูเรือเวลาเข้ามา ทำไมไม่เห็นถ้ามันแบนไม่ต้องเห็นตัวเรือกับเสาธงพร้อมๆกันใช่ไหมแต่มันเห็นเสาธงก่อนเนี่ยก็แสดงว่ามันโค้งเว้าใส่ผิวน่เนี่ยนคือเป็นการพิสูจน์อันนี้ก็เหมือนกันก็ดูมันมาจากไหนนะร่างกายมันเริ่มต้นจากอะไรมันก็มาจากธาตุในท้องแม่ก่อนแล้วพอออกมาก็เติมธาตุต่อไปแล้วเวลาตายมันไปไหนมันก็กลับไปกับมันก็แยกกันไปหมดอ่า ก็จะต้องเห็นอย่างนี้ถึงจะเห็นว่าเป็นธาตุไม่มีตัวตนการจะเห็นแบบนี้คือเราต้องคิจารณาซ้ำๆนะคะจนกจระทั่งซ้ําแล้วก็เปลี่ยนความคิดเก่าเลยเราต้องละล้างความคิดเก่าเพราะเร า, าพอเราไม่คิดแ้วเาแล้วยังไปคิดเหมือนเดิมมันเป็นตัวเราทันทีโดยประกอบกับนั่งสมาธิจนจิตรวมใช่ไหมคะจิตรวมมันก็หยุดคิดชั่วข่าวมันก็ความคิดว่าร่างกายเป็นเรามันก็หยุด้ายไปแล้วมันก็จะรู้ว่ามันมาจากความคิดเราความ ตัวเรานี่มันเกิดจากความคิดเราคิดขึ้นมาเองแต่ตัวร่างกายไม่มีเราในร่างกายแต่ต้องคอยคิดคอยแก้วความคิดเก่าพอจากสมาธิมาก็คิดเก่าอีก<ม>ตัวเราร่างกายเราจะพิสูจน์ว่าเราคิดตามความเป็นจริงได้หรือเปล่าคือเราต้องปล่อยวางร่างกายถ้ามันไม่ใช่ตัวเราก็ปล่อยมันสิยุ่งกัดก็ปล่อยให้มันกัดไปเลยเวลาเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปไม่ต้องไปกล้า ปล่อยมันเกิดดับของมันเองมันจะตายก็ปล่อยมันตายเลยนั่นแหละถึงจะรู้ว่าไม่ใช่เป็นเราจริงๆคือเราปล่อยจริงๆปล่อยเหมือนก็เป็นร่างกายของคนอื่นเอย่างร่างกายของคุณหมอนี่ยอมไม่กังวลใช่ไหมอยู่จะกาัดเขาก็เรื่องของเขาใช่ไหมออเขาจะแก่จะเจ็บจะตายก็เรื่องของเขาเราไม่ไปทุกข์กับเขาต้องอ ม, มองร่างกายตัวนี้เหมือนก็เป็นร่างกายของคนอื่นเหมือนถ้าสมมติเราสวยป่วย ป่วยเพราะป่วยเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าเราป่วยก็ค่ะป่วยแล้วถ้าเราจะไม่รักษาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ได้แต่รักษาได้จะรักษาก็ได้แต่สําคัญอยู่ที่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์กับมันนั่นถ้าไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าปล่อยแต่ถ้ารักษาแล้วมันทรมานแต่หายเนี่ยแต่เราไม่อยากรักษาก็ได้ใช่ไหมคะก็อยู่ที่ใจเรานี่ยว่าถ้ารักษาแล้วใจเราทุกข์หรือเปล่า รักษาหรือมันปการปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ในใจเราทั้งนี้แต่ร <pum. S 1> ักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แต่อย่าไปทุกข์กับมัน um. ถ้าทุกข์มันก็เถองว่ายังยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ um. ตัวตัวทุกข์นี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเร า, เรเรายังยึดติดอยู่ยังถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราอยู่เพราะสังเกตดูถ้าเป็นร่างกายของเราเลยเราไม่ทุกข์ใช่ไหยจะรักษาแล้วไม่รักษาเราไม่ทุกข์อ่ะนั่นแหละต้องดูตรงนั้นดูที่ใจเราเป็นหลัก ครใ ก, การนมัสาการเจ้าค่ะพอดีเห็นคุณแม่แล้วก็คุณน้าแล้วอีกหลายๆคนทุกใจเรื่องการเล่นหวยนี่เป็นต้นต้นอันดับเมืองไทยเลยนะคะแล้วทีนี้โยมแม่นี้เราก็ส่งเสียท่านทุกเดือนอยู่แล้วแต่คือเหมือนท่านไม่พอใช้หรือยังไงแบบท่านไปเล่นการพนันอย่างเงี้ยเราเราก็ เราช่วงก็เลยแนะนําท่านให้มาถธอสินแปดด้วยให้ให้ให้ออกจากหวยค่ะแต่ท่านก็รับปากแล้วแต่ท่านก็ทําไม่ได้แล้วทีนี้อข้าหวยท่านนี้แบบก็มาเดือดรอ้รอนเราอย่างเงี้ยเราเราเราไม่อยากช่วยแต่แ ต, แต่บางทีก็สงสารท่านอย่างเงี้ยเราเราต้องทอําใจยังไงเจ้าค่ะเออเราก็อย่าช่วยเถอะช่วยแต่ชอให้เงินเฉพาะซื้อข้าวกินเนือ ปัจจัยสี่ช่วยทั้งนั้นแต่ช่วยเรื่องสบายยมุกนี้ไม่ได้ช่วยกลับไปทําลายเขาพราะทำให้เขาติดติดแล้วเขาจะต้องต้องต้องหามาเล่นอยู่เรื่อยๆแล้วหาหาไม่ได้ขอไม่ได้ต่อไปจะไปขโมยเงินคนอื่นมาเล่นก็ได้ฉะนั้นเป็นภัยกับเขาถ้าเราไปสนับสนุนแบบนี้เราต้องใจแข็งวะหนูไมงใจแข็งใช่ไหมคะหนูไม่สนับสนุนนะแม่อยากจะแทงหวยแม่ไปหาเงินของแม่เองแทง แล้วคุณยายก็โทรมาบอกเมื่อวานว่าแม่เราไปขึ้นไปบนเขาไปหาหนองไม้แล้วแบบโดนเจ้าหน้าที่จับอย่างเงี้ยมันอันตรายทั้งร่างกายท่านแล้วแบบเนี้ยก็เลยอดจะส่งสารไม่ได้แบบเราก็อยากใช้มี่ให้ท่านแบบว่าถ้าท่านรับปากว่าว่าจะไม่ไม่เล่นอีกเราเราก็จะใจแข็งล้วบถัดไปก็จะไม่บงเหมือนบังคับท่านในตัวอย่างนี้ ช่วยครั้งสุดท้ายได้ไหมคะได้ได้ถ้าเรายัางคิดว่ายัางให้โอกาสท่านอยู่ให้ท่านพิสูจน์ตัวท่านเองว่าท่านจะทำจะเลิกได้จริงหรือไม่ก็ช่วยแล้วถ้ายัางไม่เลิกก็ถือว่าท่านก็ได้แสดงความจริงของท่านแล้วว่าท่านเลิกไม่ได้เจ้าค่ะแล้วทีนี้การที่เราไปไปไปแนะนำคนอื่นแล้วแบบแนะนำแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตธรรมะดีๆอย่างเนี้ยแล้วทีนี้ เขาไม่ปฏิบัติตามที่เราหวังแต่แต่เราไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยแหละเจ้าค่ะแต่คือเห็นเห็นพวกเขาเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเราเราจะช่วยแนะนํายังไงได้ได้อีกเจก็เหมือนกับเราเอาเอาเงินไปให้เขาแล้วก็ไม่รับจะทําไงเขาไม่รับเงินเราก็เก็บเงินไว้ไปให้คนที่เขารับต่อไปเมื่อให้ของดีธรรมะมีคนค่ายิ่งหวังเงินทองแต่เขาไม่รับก็แสดงว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ก็ต้องคิดว่าเป็นกรรมของเขาไปเจ้าค่ะเราก็ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีแล้วหาสิ่งดีๆมาให้เขาแต่เมื่อเขาไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นกรรมของเขาไปเจ้าค่ะขอให้ปรับใจอย่างนี้เนี่ยนะคะขอบคุณค่ ะ, อ ะ, อะขอขออนุ ญ, ญาตเจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะอม เคยเคยถามคำถามข้อนี้แล้วนะคะก็เอาตามที่ท่านปฏิบัติก็คือให้ทำงานน้อยลงนะคะเพราะว่าก็ตามท่านพูดเลยก็จะคิดเรื่องต่างๆให้เป็นงานน้อยลงแต่ก็อันนี้คิดด้วยตัวเองนะคะว่าด้วยนิสัยที่ส่งมาหลายภูมหลายชาติจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองสูงแล้วด้วยชาตินี้เนี่ยมีไม่ได้ว่ารวยมีปัจจัยพร้อมทุกอย่าง นะคะพร้อมที่จะส่งไปตามกิเลสเลยแบบคนอื่นต้องหาแต่เราแบบหาน้อยมากที่จะต้องส่งค่ะก็ทุกวันก็นั่งกล่อมทุกวันนะคะกล่อมตัวเองให้แบบตามทุกอย่างหงโยมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แบนด์้วยก็ท่านที่ท่านสอนเนี่ยก็กล่อมทุกเช้าเลยแต่กลอมได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็หลุดอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาหาท่านแล้วก็อย่างหาท่านวันนี้ใช่ไหมคะก็สามวันนี่จะแข็งมากวันที่4ี่เริ่มอ่อนละสามจะหลุด แล้วกมาหาท่านอีกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือที่ถามนี่ก็คือมันกล่อมทุกวันจนเหนื่อยมากค่ะท่านมีวิธีกล่อมนิสัยที่พื้นฐานเป็นอย่างนี้หมคือแบบกล่อมอย่างเดียวไม่ได้หรอต้องปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาถ้าไม่ไม่ผลมันก็จะอยู่เท่าเดิม แต่พอมันเริ่มได้ผลมากขึ้นมันก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติมากมากขึ้นไปเองคือหมายถึงว่าตื่นมานี่ไม่ต้องดูนิสัยเลยต้องปฏิบัติเลยเพื่อสู้กันเลยเพราะว่าถ้าก่อมไม่มีแรงแน่นอนก่อมนะพุทโธไปเลยดีกว่าสร้างสติขึ้นมาก่อนอ๋อเพราะว่าให้สร้างให้มีกำลังก่อนเลยค่อยไม่ต้องสนว่าจะก่อมไม่ก่อมถ้าไมก่อมมันนะก่อมันถ้าไหลมันก็มันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาอต้องพุทโธดีกว่าอย่าไปคุยกับมันอย่าไปคุยกับกิเลส กิเลนมันไม่ฟังเราหรอก <lık. S 2> ต้องพุโทโธพุโทโธไปรหยุดมันดีกวา่าเอาไม้ ม, ตมาตีหัวมันดีกว่าเอาไม้มาตีหัวมันดีกวา่าเอพุทโธตีหัวมันไปเรื่อยนนนๆ <Heath EN. S 2> ทีนี้มันก็จะไม่กล้าเหือเอามีพุโทโธทีนี้ก็เราก็จะมีกํำลังที่จะปฏิบัติทำจิตให้สงบ พ, พอได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติเราก็จะเกิดฉันทาวิริยาใจอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเอง ต้องเอาแนวปฏิบัติเป็นการเดินของเราเพียนเพียนปฏิบัติอย่าไปเพียนกล่อมมันกล่อมมานานแล้วถ้ามันเชื่อฟังเรามันก็ฟังมันนานแล้วคุบาอ า, าจารย์วุฒิาจารย์ไม่กล่อมมนะันอ่ะฉันใช้การปฏิบัติตเลยอันนี้ก็คือตอนเช้าที่ต้องสําคัญมากเพราะกระเลกกิเลยังไม่มีกาลังเริ่มต้นเลยเพราะเริ่มต้นก็เอาใส่มันก่อนเลยพอขึ้นเวทก็ใส่มันก่อนเลยค่ะ อย่าไปร้อ่นมันมีกําลังแล้วค่อยไปสู้กับมันสู้มันไม่ไหวแล้วมัไหวอ่าเนี่ยออกจากสมาธิก็ต้องพุโทโธต่อไปแล้อยัอยู่นถ้ายัางอยู่ในขั้นสติก็พุโทโธต่อไปอย่าปล่อยให้มันอ่อนเย็นสบายอยู่เฉยเฉยไปเดี๋ยวกี่เลยมันก็ค่อยลุกขึ้นเป็นไฟขึ้ น, นมใหม่สตินี้จําเป็นให้ทุกกรณีที่คิดอย่างนี้ไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีสติ น้าสติมันจะมีประโยชน์สองอย่างจะทําให้เราทํางานไม่ผิดพลาดสองจะทําให้เราควบคุมกิเลสคือความโลภความอยากต่างได้นทําใจให้สงบให้เย็นสบายนพยายามทําไปนะปฏิบัติต้องเพียนพยายามต้องปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียนไม่ได้ด้วยการกล่อมโอเคนะ คำถามฝากถามคะ่ะพอดีที่บ้านมีรังแตงเยอะมากหลายจุดมีคนในบ้านโดนต่อยเป็นประจำล่าสุดคุณแม่เพิ่งโดนรุมต่อยเข้าโรงพยาบาลถ้าไล่กลัวจะเป็นบาปถ้าลูกเพราะว่ามันมีลูกตัวอ่อนแต่ไม่ไล่ก็โดนต่อยนับวันจะขยายมากขึ้นแต่ก็คิดว่า ถ้าไม่ติดหนี้เขาเขาก็คงไม่โดนมาต่อยเราอยากเรียนถามอาจารย์ว่าจะปล่อยวางใจยังไงคะถ้า้งใ จ, งใจเฉยได้ก็ดีที่สุดก็ปล่อยต่างฝายต่างอยู่กันไปแผนเมตตาให้กับกันไปก็อบอกว่าต่างฝายต่างอยู่นะอย่ามารบกวนกันเราไม่ทำร้ายคุณคุณก็อย่ามาทาร้ายเรา อ, อย่าไปอย่าไปแย่ังแงกัแล้วกัน ถ้าอย่ามันก็ตื่นตกหนกตกใจมันก็คิดว่ามันกําลังจะถูกทํำร้ายมันก็ต้องสู้ทันทีถ้าเราปล่อยมันอยู่ของมันธรรมากินของมันมันก็จะไม่มาต่อยเราค่ะคําถามฝากถามคล้ายๆกันคะ่ะที่ห้องพักมีปลวกขึ้นมากัดกินไม้สร้างความเสียหายเป็นจํานวนมากทําให้ต้องซ่อมแซมช่างต้องเข้าไปฉีด จำกัดปลวกก่อนทํางานซ่อมห้องใหม่หนูเป็นเจ้าของห้องต้องชําระเงินค่าซ่อมทั้งหมดช่างบอกว่าฉีดฟรีไม่รวมค่าซ่อมแต่ต้องมอบกุญใจให้เขาถามว่าหนูไม่อยากทําเรื่องปลวกแต่จําเป็นต้องรักษาทรัพย์สินหนูควรจะวางใจอย่างไรคะถ้าช่างเขาอาสาสมัครทำโดยที่เราไม่ได้ไปสั่งเขาเราก็ไม่บาปไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ปล่อยเขาทาไป ถือว่าอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นโลกอนิจจังมันก็มีทั้งคนที่รักษาศีลมีทั้งคนที่ไม่รักษาศีลคนไม่รักษาศีลเขาก็ไม่สนใจเขาว่ายินดีที่จะทําให้ก็ปล่อยเขาทําไปเพราะว่าถ้าเขาไม่มาทําที่นี่เขาก็ไ ป, ไปเขาก็ไปฆ่ายัางอื่นแทนอยู่แล้วนั่นเมื่อเขาถือว่าเป็นอาชีพของเขาที่เขาจะบริการลูกค้า เ, เขายินดีจะทําโดยที่เราไม่ได้ไปขอร้องไปสั่งเขาก็ เราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่ผิดด้วยคําถามฝากถามค่ะการที่เราเลี้ยงแมวมีความผูกพันเรามีโอกาสเกิดเป็นแมวไหมคะโดยที่ในชาตินี้ยมรักษาศีลห้าอย่างเครืยงครัตฟังธรรมนั่งสมาธิพยายามมีสติระลึก รู้ตัวท่องพุโทโธอยู่ขณะตายจะมีโอกาสเกิดเป็นแมวไหมคะ อ, อ๋อถ้าไม่ทําบาปไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้จะอยู่กับสัตว์เดราาัจฉานจะรักมันยังไงก็ไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ไม่ไม่ไมไมไมรักษาศีลทําบาปถึงแม้เกียดสัตว์มันกไ็ไปเป็นสัตว์อยู่เอง กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่เราไปตามวัดต่างๆบางวัดมีสรีระสังขารของหลวงพ่อพระเกจิอาจารย์บางรูปไม่เน่าเปื่อยทางวัดเก็บรักษาไว้ในโรงแก้ว เหตุการณ์แบบนี้ที่นอกเหนือธรรมชาติแบบนี้เกิดจากความต้องการของหลวงพ่อนั้นๆที่ต้องการให้สังขารของตัวท่านไม่น่าป่วยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเพราะเหตุใด mm hmm. เหตุการณ์แบบนี้จะบ่งบอกให้เราเข้าใจว่าคล้ายๆกับสังขารของครูบาอาจารย์ที่หลังจากการเผาสังขารชา ป, ปนากิจแล้วกระดูกลายเป็นพระาธาตุให้เราเข้าใจได้ว่าท่านสําเร็จในคุณธรรมนั้นแล้วใช่ไหมหรือครับ คือเรื่องร่างกายของคนตายนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นที่รับผิดชอบว่าก็อยากจะทําอะไรเขาอยากจะเก็บก็เก็บก็อยากจะเผาก็เผาเพราะคนตายไม่มีสิทธิ์พอถึงเมื่อจะสั่งไว้ล่วงหน้าบางทีมันก็ไม่ฟังก็มี <Yeah. S 2> นั้นก็เป็นเรื่องของคนที่อยู่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกายนั้นว่าเขาจะตัดสินใจว่าจะทําอย่างไร <Yeah. S 2> ส่วนร่างกายไม่แน่เอาเปื่อยนี้เราไม่รู้นะว่าเป็นจริงอย่างไร เพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วทุกอย่างมันก็ต้องมีการเสื่อมมีการเน่าเปื่อยไปตามเวลาของมันแต่มันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรในในในความในจิตใจของท่านนั้นว่าท่านเป็น จ, จิตใจท่านบรรลุถึงธรรมข้านไหนแต่อย่างใดจะรู้ได้ก็เพียงแต่ว่าถ้าะตูกของท่านนีกลายเป็นพระธาตุก็จะถือว่าท่านได้บรรลุขั้นสูงสุดก็ได้เป็นผ้าอาหารแล้ว แต่บางท่านอาจจะกระดูกระจะไม่กลายเป็นพระธาตุแต่ก็บรรลุถึงขั้นสูงสุดได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านบรรลุกับเวลาที่ท่านตายว่าสั้นหรือยาวถ้าท่านบรรลุวันนี้พรุ่งนี้ตายเนี่ยโอกาสที่กระดูกของท่านจะกลายเป็นพระธาตุมันไม่มีมันมีกาลน้อยที่ธาตุคือจิตที่ศาสตร์บริส่วนนี้จะเป็นผู้ฟอกธาตุให้ให้กลายเป็นธาตุฟอกร่างกายฟอกกระดูกให้เป็นธาตุ แต่ถ้ามีเวลาฟอกน้อยมันก็ไม่ทันก็ไม่สามารถทาให้กลายเป็นธาตุได้แต่ก็ไม่ได้นาคว่าท่านได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวลานั่งสมาธิบอกว่าจิตใจต้องสงบนิ่งแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อเราต้องพิจารณารู้ด้วยขณะนั่งสมาธิซึ่งทำให้ใจไม่สงบนิ่งและพิจารณาอยู่ค่ะ อ๋อเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เป็นเวลาเจริญปัญญาเวลานั่งสมาธิเป็นเวลาพักจิตใจให้สงบให้นิ่งเตอนนั้นเราไม่เจริญปัญญาไม่พิจารณาร่างกายเราจะพิจารณาร่างกายหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอจิตออกจากสมาธิแล้วก็เริ่มคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นเราก็ดึง ม, มาคิดเรื่องทางร่างกายเรื่องของไตรลักษณ์เรื่องของธาตุสี่ไปเป็นการศึกษา ปัญญาคือเรื่องของการศึกษาต้องใช้ความคิดสมาธิเป็นการรวมจิตให้สงบนึ่งไม่ใช้ความคิดอย่างนั้นการปฏิบัติสองขังน้นนี้ทำกันคนละวาระไม่ได้ทำทาพร้อมกันคือเวลาท่านพูดรวบลัดว่าพอจิตสงบแล้วก็ไปเจริญปัญญาท่านหมายถึงอีกวาระหนึ่งคือช่วโมงนี้ทำสมาธิจนจิตออกจากสมาธิแล้วทีนี้ข้าไปเจริญปัญญาในชั่วโมงต่อไป ไม่ใช่พอจิตสงบปั๊บก็ให้พิจารณาปัญญานี้ก็ไปนั่งสมาธิให้เสียเวลาทําไมทำแทบเป็นแทบตายให้มันหยุดคิดพอมันหยุดคิดปั๊บากาสั่งให้มันคิดใหม่หมเฮ้ยอย่าไปหยุดมันไม่ดีกว่าหลอว่าคิดไปเลยไม่ดีกว่าเพียงแต่ว่าถ้าคิดคิดทางปัญญาโดยไม่มีสมาธิมันคิดไม่ได้นานหนึ่งสองมันจะคิดแล้วมันตัดไม่ได้ตัดกิเลสไม่ได้ต้องมีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุน คำถามจากคุณเอมวค่ะเวลาที่เรานอนหลับสนิทแบบไม่รู้ตัวจิตไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะก็อยู่ที่เดิมไม่มีสติท่า น, นไม่รับรู้อะไรเวลาตายก็อยู่ที่เดิมจิตไม่มีรูปร่างมันเลยไม่เคลื่อนไหวมันเคลื่อนมันเคลื่อนไหวด้วยความคิดเนี่ยมันคิดถึงกรุงเทพแต่ตัวมันก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพหรอกมันก็อยู่ตรงนี้คิดถึงภูเก็ตมันก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่แต่มันคิดมันเคลื่อนไหวด้วยความคิด แต่ตัวจิตเองมันไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดเหมือนร่างกายมันก็เลยไม่เคลื่อนไหวมันก็อยู่ที่เดิมคำถามจากคุณพ m อมค่ะตายแล้วได้ไปนิพพานจะมีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าไหมคะการไปถึงนิพพานก็ได้ถือว่าได้ถึงได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วโดยที่ไม่ต้องไปเจอจิตของพระพุทธเจ้าเพราะจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของผู้นิพพานก็อันเดียวกันเหมือนกันเหมือนฝาแฝด เมื่อเจอฝาแฝดแล้วเจะเป็นดูฝาแฝดของเราทำไมหน้าตามันก็เหมือนกับเราใช่ไหมคำถามจากคุณไพฑูรย์ค่ะสัมมาอาชิวะที่บ้านเลี้ยงไก่ขายให้คนขายเนื้อไก่อธิบายให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็พูดบายเบี่ยงถ้าผมใช้สอยหรือบริโภคเงินที่คุณแม่ได้มาจากการขายไก่จะผิดหรือบาปไหมครับถ้าคุณแม่ให้มาโดยที่เราไม่ได้ ไปขอหรือว่าไปบังคับให้ท่านให้มาท่านให้ด้วยความสเสน่หาให้เป็นฐานนี้เราคนรับไม่ผิดเหมือนพ้านี่บางคนอาจจะไปขโมยเงินมาทำบุญก็ได้พ้าไม่ผิดครูรับไม่ได้ผิดถ้าเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาไปขโมยเงินมาให้เราคำถามจากคุณพี่ตุ้มค่ะเวลานั่งสมาธิทุกครั้งได้บุญจากการนั่งสมาธิไหมครับคือบุญกับนั่งสมาธิมันมีสองระดับ่ะ บุญที่เกิดกำลังบุญที่กาลังสร้างกับบุญที่กลังได้ผลก่อนที่จะได้ผลก็ต้องสร้างก่อนเหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยก่อนที่จะได้ผลจากต้นไม้ก็ต้องปลูกต้นไม้ก่อนในเวลาที่เรานั่งสมาธิฝึกสมาธินี้เรากำลังปลูกต้นสมาธิกันได้ผลอย่างหนึง่งได้ผลได้ผลจากการปลูกต้นไม้ต้นสมาธิแต่ยังไม่ได้ดอกผลของสมาธิคือความสงบความสุข คำถามจากคุณอภิวัต ค, ค่ะถูกต้องแล้วรับปากพระแล้วไม่ทําฉบาปไหมครับเช่นบอกว่าจะถวายของถึงเวลาก็ไม่ถวายครับก็โกโหกหอ่ะสิไม่ว่าจะกพูดกับใครก็โกหกทั้งนั้นกับพระหรือ ก, กับคารวะก็เป็นการโกหกเหมือนกันหรืออย่างนั้นก็ไม่มีสักด์จะิญเป็นคนที่ปินป้นต้นหลอกลวงเป็นนิสัยไม่ดีเพราะอาจจะทําให้ตัวเราไม่มีเครดิต ต่อไปจะไม่มีใครเชื่อฟังเราไม่มีใครอยากจะทำอะไรกับเราเพราะไว้ใจไม่ได้บากพูดอย่างหนึ่งแต่ใจเป็นอีกอย่างหนึ่งหมดแล้วนะวันนี้ก็เวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพพิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด